ก็เป็นปัญญาที่แท้จริงและตัดสินใจได้เด็ดขาดเพราะว่าภาวนามย์ปัญญาเพราะฉนั้นสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าลูกหลานไม่ได้ยินได้ฟังจะเฉลยวฉลาดขึ้นมานั้นคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็วันหนึ่งพวกเราก็จะได้ยินได้ฟังไม่เหลี่ยมใดก็เรื่องหนึ่งในหลักธรรมคําสอน พอหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีมากตั้ง 84,000 พันพระธรร ม, มะขันแต่หลวงครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านขึ้นมาทำมาศแล้วบอขึ้นมาแสดงธรรมท่านก็ยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาสาธกมาแนะนำให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่หลวงพ่อก็คงจะเช่นนั้นเหมือนกัน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 รับรถที่วัดของหลวงพ่อนะวันที่5นัดกันมาแล้วรถเสร็จแล้วคือรถคันนี้หลวงพ่อบอกว่ากำลังสูงหน่อยนะเอากาลังพัน่ตามปกติเขาจะใช้รถเพียง 2,500 แต่หลวงพ่อให้ใช้ 3,000 ันเพราะอุดรบางทีก็ได้วิ่งตามเสด็จอะไรใช้รถที่มีกำลังน้อยก็ยังไงควรจะเอากำลังสูงหน่อย เพราะว่ารถคันนี้ก็สำหรับเป็นเครื่องอตุ่นกระตุนหัวใจด้วยและออกซิเจนด้วยให้ครบในรถคันนี้นต่หละวันที่ห้าที่จะถึงนี้แหละหลวงพ่อจะได้มอบรถแอมบูเรนต์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรคือตึกเนี่ยตึกของหลวงตานี่แหละราคารถคันนี้ก็ประมาณล้านเก้านะ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 แต่เมื่ออยู่ในบ้านนานๆเข้าเอเดี๋ยวก็เห็นผมขาวเด่นก็นเห็นตาฝ้าฟางเด่นก็นเห็นหัวหูตึงเดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวเดี๋ยวก็เห็นหลังค่อมต่อไปเลยใช่ไมมเท้ า, าต่อไปก็ถ้าไม่ถ้าไม่ไปง่ายใจไม่ขาดง่ายถ้าไม่ตายง่ายพูดง่ายๆก็นอนอยู่ที่บ้านของตนเองนี่แหละมีแต่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 แกลกศรีสาไว้ไว้มาห้าเตรียมไวห้ากะโหลกจากนั้นวังคีศาก็มามาถึงพระพุธองค์ก็ถามว่าวังคีศพราหมณ์ท่านมาท่านไปอะไรวังคีศพราหมณ์ก็บอกว่ากระผมะได้ไปเที่ยวในตามชนบทต่างๆแล้วก็เคาะกระโหลกศีรษะของคนะจะรู้ได้ว่าใครไปเกิดณสถานที่ใด เพราะนั้นข้าพระองค์ได้มาเที่ยวกะโหลกเคาะกะโหลกเขาก็ให้รางวัลตามที่ตองกะตามที่เขาจะจะให้ก็ม่ดีเรียกร้องอะไรใครให้มากใครน้อยก็รับตามนั้นพะพระองค์โอ้ดีล่ะเอาวังคีสับทดลองเคาะดลยสิพระองค์ให้เคาะกะโหลกที่ไปตกนรกนะวิญญาณที่ไปตกนรกนะ พอเอาวินกระโหลกนั่นมาวางขีศาก่อนนึกในใจใช่กำหนดใจคล้ายๆกับกําหนดมนต์ตัวเองน่ะนึกในใจเสร็จแล้วก็เคาะกะโหลกน่ะปอก๊อป๊อกป๊อกําหนดนิ่งกราบทูลพระพุทธเจ้าว่ะกระโหลกนี้ไปนรกกะโหลกนี่ไปนรกพระพุทธเจ้าโอ้ดีละถูกต้องถูกต้องคล้ายๆกับว่า สาธุสาธุดีละดีละถูกต้องแล้วก็อกกระโหลกที่สองให้ อ, อีกคอเอกป๊อกป๊อกป๊อโอ้กระโหลกนี้ไปเป็นเปลกน ะ, ะแต่ไม่ถึงกระตกนรกแต่เป็นเปลกเพราะ อ, องค์ก็หยอมถูกต้องต่อมาข้อกระโหลกที่ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานต่อมากม่อเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาข้อกระโหลกไปเกิดเป็นเท ว, วดา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 แต่ในลูกน้องก็มาถามอาจารย์อาจารย์เป็นไงเรียนจบหรือยังทางพรามบางกีสานี่เขาบอกอ้ยอย่าง อ, าางาาง อ, อ, อย่างอยเพิ่งมายุ่งไปอ ร, อรอรอก่อน เ, อเดี๋ยวเรียนจบแล้วจะบอกจะเข้ามาใกล้กาลังกําลังเรียนเรียนอย่อยาง อ, าอย่างจดจ่ออย่างขมักขเม็ดพูดง่ายๆโดยทั่วไพอเรียนไปไม่นา น, น เ, าเกิดความเบื่อหน่ายคาย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 มีจุดจบไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ความตายเป็นของที่แน่นอนที่สุดเรียก ว, ว่าเป็นอนิจเป็นนิจจัส่วนอื่นเป็นอนิจจ์อะอนิจจงแปลว่าของไม่เทีย่ยงแต่ความตายในเป็นนิจจ์เป็นของเทีย่ยงเกิดมาเท่าไรตายเท่านั้นไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่าน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 ปฏิทถาโหรติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าวัะ น, นั้นโลกนี้เราก็พึ่งบุญถ้าเกิดมาพบนาชาติหน้าเราก็พึ่งบุญบุญอีกถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเราจะพึ่งอะไรนี่แหละออขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสั่งสมบุญกุศลหน้คณะทาญาทโยมลูกหลานทุกคนการกล่าวสัมโภช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 ดังปราถนาทุกทุกท่านเทินสาธุ